142ศาสนาพุทธเห็นสามัญญผลประจักษ์ได้ในปัจจุบันเราได้พูดถึงพรหมชาละสูตรที่เป็นสูตรแรกที่ให้เรายืนหยัดอยู่ในทิฏฐิที่ถูกต้องให้ได้ก่อนอื่นซึ่งสำคัญยิ่งมาแล้วต่อมาสูตรที่สองของพระสูตรเล่มแรก ตั้งแต่ข้อ91ถึง140คือสามัญญผลสูตรก็เป็นสูตรที่แจ้งให้เห็นชัดยิ่งขึ้นว่าปฏิปทาของชาวพุทธหรือวิธีปฏิบัติของศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้านั้นคือศีลสมาธิปัญญา ที่มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ไม่ได้แยกกันและลืมตาปฏิบัติด้วยโดยมีไตรศิขาเป็นหลักปฏิบัติอันเอกทางเดียวซึ่งผลธรรมที่ได้ก็เป็นโลกุตระธรรมไม่ใช่ได้แค่เป็นโลกียธรรมกล่าวคือเมื่อกําหนดสมาทานศีลแล้วเช่นศีลห้าเป็นต้น การปฏิบัติก็อยู่ในกรอบตามกาหนดของศีลห้านั้นเท่านั้นกิเลสที่สูงเกินไปกว่านั้นเราก็อนุโลมไปก่อนเราเคร่งครัดเฉพาะที่เราสมาธานแล้วก็ปฏิบัติให้สำ ม, มาทิฏิคือต้องปฏิบัติอย่างมีสัมผัสเป็นปัจจัยเว้นสัมผัสแล้วจะรู้สึกได้ ปฏิสังเวทีนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดังนั้นการปฏิบัติของพุทธต้องปฏิบัติชนิดที่ต้องมีสัมผัสเป็นปัจจัยจึงจะมีเวทนาขึ้นมาให้ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาเรียนรู้และทาเวทนาในเวทนาจากธรรมะสองเหล่านี้ รวมเป็นอันเดียวกันกับเวทนาโดยส่วนสองทเวธรมาทวเยนะเวทนายะเอกสมสรนาพวันติได้เลยตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ6กการปฏิบัติธรรมจึงจะเกิดปาฏิหารตามวิชา8ข้อสองได้แก่มโนโมยิทธิ คือทำริษทางใจได้สำเร็จเป็นอนุสาสนีปาฏิหารนั่นคือทาอิทธิวิธีได้สำเร็จจริงทาเวทนาสองให้กลายเป็นหนึ่งสำเร็จได้พหุททาปิหุตวาเอโกโหติโดยเริ่มจากการมีศีลมาเป็นหลักแรกของจารณนะแล้วจึงสำรวมอินทรีหก โพชนเนมัตันยุตตาชาคริยานุโยคะแล้วปฏิบัติส้ำมาปฏิบัติก็จะเกิดสัตรธรรมเจ็ดและสั่งสมอธิจิตศกขาเป็นชาหนึ่งสองสาสและแถมมีวิชาแดด้วยวิชาจารณะสัมปันโนมิใช่การหลับตาปฏิบัติแล้วไปงมอยู่กับอดีตกับอนาคตเลย